กระพินพูดอย่างใครค่ครวญดารินไม่รู้เรื่องอะไรก็เบียดชิดเข้ามากระทบไหล่ถามว่าทําไมหรือเราตามรอยมันกลับมาถึงที่เก่าอีกครับแปลกมากถ้าเราไม่หลงรอยมันตรงทางแยกแห่งใดแห่งหนึ่งก็แปลว่ามันเดินล่อให้เราตามเป็นรูปวงกลมวนเวียนอยู่นี่เองไม่ทันจะขาดเสียงของจอมพรานก็มีเสียงนกระวังภายร้องก้องมาทางด้านเหนือกิ่งไม้แห้งที่ใดแข่งหนึ่งหล่นลงมากระทบ พงสียงปลวกปละแล้วก็ปรากฏเสียงเหมือนสัตว์ขนาดใหญ่ตะลุยพุ่มไม้คลืนไปมันดังอยู่ชั่วขณะเท่านั้นก็เงียบหายไปตามเดิมแต่เสียงนกยังคงร้องอยู่เป็นระยะทางโนนแน่แล้วครับนายเกิดกระซิบเร็วปือแล้วออกเร่งฝีเท้าไปอย่างรวดเร็วระพินแยกตัดด่านเล็กๆไปทางขวาโดยมีดาลินสาวท้าตามมาติดติดเคียงไหล มาบรรจบกับเกิดที่ซุ้มไผ่ใหญ่แล้วก็ติดรอยซึ่งนำขึ้นสู่เนินสูงอันมีรอยตีนย่ำตะกุยขึ้นไปสองากทางเป็นป่าสะแกและเถาวระโทตรที่แห้งกรอบเกรียมสลับไปกับต้นไขน่เน่าทางนั้นราชชันขึ้นทุกขณะพื้นดินแข็งเป็นหินปนกรวดจนแทบจะมองไม่เห็นรอยของมันนอกจากจะพิจนาให้ถีบท่วนจริงๆ พอมาถึงยอดเนินที่เต็มไปด้วยต้นยางและพุ่มคอยพ้นออกมาจากบริเวณป่าน้ำก็ค้นพบว่าเจ้าควายมฤดตยูแฝงตัวเข้าไปหลบกำบังอยู่หลังพุ่มคอยแห่งหนึ่งริมทางดานรอยของมันหยุดอยู่ที่นั่นรอยปัสสาวะยังเป็นฟองแล้วก็บ่ายหน้าลงรำห้วยกว้างไปสู่พื้นตามอีกฝากหนึ่งทั้งหมดกระชั้นรอยเข้าไปอย่างรีบเร่งความระมัดระวังเตรียมพร้อมทวีขึ้นถึงขีดสุด ในรำห้วยรอยตีนของมันไม่มีอะไรมาลบได้อีกแล้วในภาวะที่ไล่หลังกันอย่างกระชั้นชิสเช่นนี้เพราะกองใบหญ้าแห้งที่รับน้ำหนักตัวอันมากมายของมันปรากฏฟ้องหเห็นชัดตะหลิ่งห้วยบางแห่งก็ถูกกลาตัวของมันเสียสีขณะที่เดินผ่านเป็นรอยถล่มสดสดร้อนๆ น, นี่เองปากห้วยอันราดต่ำลงทุกขณะนั้นนำออกการน้ำของลูกเขาใหญ่อีกฝั่งหนึ่ง ที่มองเห็นป่าเขียวชอุ่มอึมครึมอยู่เบื้องหน้าก่อนจะถึงลำธาร น, น้ำใสที่ไหลผ่านแก่งหินปรากฏเสียงลิกๆิกูอยนั้นเป็นพื้นทรายปนกรวดลักษณะหาดยื่นจากป่าห้วยออกไปประมาณ40หสาบร้รอยตีนของเจ้ามหิงสามองเห็นได้ในระยะไกลว่าย่ำตรงไปยังทานแคบๆนั้นต่างเร่งฝีเท้าตามออกไปที่ชายหาดนั้นอย่างรีบด่วนด้วยความเข้าใจว่า เจ้าควายเปี่ยวมหาการคงจะข้ามลำธารขึ้นโดงฝั่งตรงข้ามไปแล้วแต่แล้วเมื่อมาถึงทั้งสามก็มองตากันงงงานไปอีกครั้งอย่างคณีอะไรไม่ถูกรอยตีนย่มจากปากคู่ไตรงมาที่ฐานน้ำแห่งนี้ก็จริงมันมาสิ้นสุดเอาตรงตำแหน่งชิดชายน้ำระหว่างกลุ่มโขดหินหมหนึ่งพอดีแต่มองไม่เห็นร่องรอยแม้แต่นิดเดียวว่ามันจะข้ามไปฝั่งตรงข้าม ที่น่ามหาัศจรรย์ที่สุดก็คือรอยหวนกลับหรือแย่ไปทางอื่นก็ไม่มีเมหิงสาตัวนั้นหายไปไหนมันหอะไปได้ยังไงนายเกิดลืมตาโพรงร้องออกมาอย่างประหลาดใจแล้วพินกลาสายตาไปยังภูมิประเทศรอบด้านแล้วก้มลงพิจารณารอยตีนเหล่านั้นอีกครั้งเขาเองก็มีความรู้สึกไม่ผิดอะไรกับเกิดในขณะนี้งงไปหมด ดารินเองก็พอจะรู้สึกถึงความแปลกประหลาดในข้อนี้หล่อนเดินลุยน้ำซึ่งกว้างประมาณสิบหลาขึ้นไปยังชายหาดตรงข้ามแล้วสำรวจดูตามพื้นทรายมันไม่ได้ข้ามมาฝั่งนี้แน่หล่อนร้องบอกมาทางนี้ก็ไม่มีรอยวกกลับมีแต่รอยที่เดินย่ำลงมาครั้งแรกเท่านั้นนายหญิงเกิดตอบความระแวงชนิดหนึ่งผ่านแว บ, บขึ้นสู่สมองพรานใหญ่ เขาเองไม่เคยพบเห็นกับตาตนเองมาก่อนในอุบายเร่กลอนอันลึกร้ำของสัตว์ประเภทมหิงสาแต่ดูเหมือนจะเคยได้ยินได้ฟังจากพรานรุ่นเก่าที่เคยเล่าไว้ในลักษณะที่ฟังแล้วออกจะเกินความจริงซึ่งเขาไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นไปได้พร้อมๆกับความเฉลียวใจในข้อนั้นระพินไพยวันหันขวบกลับไปทางปากว้วอันเป็นตำแหน่งต้นทางที่รอยควายนั้นเดินลงมาในทันทีทว่ามันสายเสียแล้ว สำหรับความไหวทันของเขาวูบเดียวที่เขาหันกลับมาเต็มตัวมันก็เป็นวูบเดียวกับที่ภูเขาย่อมๆรูกหนึ่งกลิ้งลงมาจากหลังซุ้มไม้ทึบริมปากห้วยระยะห่างจากที่เขาและเกิดยืนอยู่เพียงไม่เกินสิบห้าก้าวแสงตะ ว, วันบ่ายสาดกระทบร่างนั้นเป็นเงาทมืนแลมมามื้อหัวอันใหญ่โตก้มต่ำเห็นเขาแหลมโค้งทั้งคู่พุ่งดิ่งเข้ามาราวกับดาบของพญามัจุราชเร็วเหมือนเงาผี เร็วจนไม่อาจเห็นอะไรได้ถนัดตานักเกิดระวังหลุดปากกล้องออกไปได้เพียงแค่นั้นและพินภัยวันก็จำได้แต่เพียงว่ายกเท้าถีบก้นพลานพื้นเมืองผู้ที่กำลังยงโยยงยกก้มลงดูรอยตีนอยู่เซขมาไปทางขวาตนเองเผ่นสุดแรงไปทางด้านซ้ายไม่มีโอกาสแม้แต่จะยกปืนขึ้นทันเพราะบัดนี้ภูเขารูกนั้นหวบเข้ามาถึงตรงที่เขากับเกิดยืนอยู่เสียแล้ว ระหว่างที่ร่างของพรานใหญ่ที่กระโจนหลบอย่างไม่คิดชีวิตไปกระทบเข้ากับแก่งโคทินเกิดผู้ถูกแรงถีบส่งตัวให้พ้นไปจากปลายขาอันแหลมคมยังบุดวิดก็ตะกายตัวเองให้พ้นจากรัศมีการแว่งกลับศาสตร์รำกล้องจุด37มเจ็ห้าแมกนัมเข้าใส่พร้อมกับร่างกชนิดที่ปากกระบอกหากจากลำตัวอันใหญ่โตมโหฬาร น, นั้นเพียงคืบเดียวพร้อมกับเสียงปืนระเบิดตูมคนยินก็ถูกรอยโค้งของเ ข, ขาด้านนอกต ว, วัดกระทบสีข้าง รอยขึ้นทั้งตัวกระเด็นไปร้มคว่ำขามำหงายอยู่กับพื้นสีห้าวาไราเฟิลกระเด็นไปอีกทางหนึ่งเมหิงสาบ้าเลือดยกตัวขึ้นโขกเท้าหน้าทั้งคู่กระเทือพื้นราวกับแผ่นดินจะถล่มทลายงุศหัวลงต่ำแล้วก็พุ่งดิ่งเข้ามาหมายจะบทขยือให้แหลกละเอียดไปกับพื้นทรายมันเป็นจังหวะเดียวกับที่รพินจับปืนได้ถนัดเขาไม่ได้ยกขึ้นเลงเลย พอหันลำก้องตรงก็ปล่อยกระสุนตามหลังมันออกไปในระยะเผาขนขาหลังของมันหักพับลงก่อนที่จะกระโจนเข้าถึงเกิดเพียงสองวาเท่านั้นกำลังแรงที่มันพุ่งมาประกอบกับอำนาจประทะของจุด458แม็มกนัมทำให้ร่างใหญ่โตนั้นปัดเป๋ออกไปเกิดตะกายครานสี่ตีนไปกับพื้นทรายพยายามจะเอาตัวหนีอย่างไม่เห็นแก่ชีวิตควายมหากา ร, รทรงตัวขึ้นมาอีกครั้ง คราวนี้มันตระบสวนควันปืนแทนที่จะมุ่งอยู่ที่เหยื่อเดิมระพินกระชาคลูกเลื่อนพร้อมกับกระโดดเข้าหาหินใหญ่ขณะนั้นเองเขาก็สะดุดโขดหินเล็กๆไงยหลังโครมลงทุกสิ่งทุกอย่างควรจะสุดสิ้นเสียทีสำหรับชีวิตของเขานั่นเป็นความคิดครั้งสุดท้ายของจอมพรานและบือนามแล้วก็กลิ้งตัวเป็นลูขนุนปล่อยโชคชะตาให้เป็นไปตามยถากรรมเขายังไม่หมดสติ ประสาททุกส่วนตื่นอยู่ทุกประการพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับวินาทีสยองของตนเองทุกขณะเพราะฉะนั้นหูเขาไม่ฝาดแน่ในระหว่างเสียงหายใจหนักๆของมันชนิดที่ไออุ่นปลิวมาสัมผัส ต, ตัวและเสียงแผดระเบิดกึดกก้องของไรเฟิล น, นัดหนึ่งซึ่งดังราวกับระเบิดตกจากเครื่องบินตาของเขาก็ไม่ได้หลับเพราะฉะนั้นจึงมองเห็นกระจ่างชัดที่สุด มัจุราชเขางงผู้กำลังเตรียมจะใช้ขาเสยร่างที่นอนราบอยู่กับพื้นของเขาบัดนี้พะงะศีรษะเริ่ดขึ้นราวกับถูกค้อนยักษ์กระหน่ำอย่างแรงครั้นแล้วพริบตาต่อมาเสียงตูมที่สองก็กำบันนาดขึ้นอีกจนร้าวไปหมดทั้งแก้วหูเจ้าควายยักษ์พงกหัวกลับอีกครั้งเอาจมูกทิ่มพื้นทรายขาหลังทั้งคู่ถีบลอยขึ้นจากพื้นแล้วร่างอันมโหรารก็ฟาดสนัน่นลงเกือบจะบททับร่างของระพิน ผู้กลิ้งตัวหลบรอดจากการล้มทับไปได้เพียงแค่ฝ่ามือเดียวก่อนที่เขาจะยันตัวลุกขึ้นหม่อมและชวงหญิงดารินวราลิศผู้เป็นทารกที่สุดในขบวนการประชนไฟตามที่เขาคิดไว้แต่แรกก็วิ่งตะรุยข้ามลำธานตรงเข้ามาหน้าของหล่อนขาวซีดหล่อนยืนพะว้าพะวังในระหว่างรถพีนผู้บาดนี้นั่งทางขาเอามือยันพื้นกับเกิดผู้นอนตัวงอคุมสีข้างอยู่ ส่วนเจ้าควายยักษ์ตัวนั้นขาทั้งสี่ยังคงสั่นกระตุกพริ้วเลือดทะลักออกมาจากบาดแผลที่กลางหน้าผากและสันจมูกราวกับท่อปะปาแตกไหลซึมลงไปกับพื้นทรายจนชุ่มผมไม่เป็นอะไรหรอกไปดูเกิดเถอะเขาพูดทอผอบปาดแขนเสื้อขึ้นเช็ดเหงื่อที่หน้าผากแล้วยันกายลุกขึ้นยืนดา ล, ลินวางปืนลงวิ่งปาดเข้าไปที่พรานพื้นเมืองร้องถามระรำรลัก แล้พินก็มาถึงในเวลาไล่ๆกันสอดแขนเข้าประคองปีกหิวคนของเขามานั่งที่โขดหินใต้ร่มไม้จากการตรวจ ด, ดูอย่างถี่ถ้วนเกิดไม่ได้มีบาดแผลกันใดๆเลยเขาะดีที่ถูกเขาของมันทางด้านนอกเป็นรอยเขียวชำ้ำครั้งแรกเข้าใจว่าซี่โคงหักแต่ภายหลังตรวจอย่างถี่ถ้วนก็ปรากฏว่าซี่โคงของเกิดทุกซี่อยู่เป็นปกติเรียบร้อยดีทุกอย่างเพียงแต่จุกไปเท่านั้น ทั้งสงช่วยกันปฐมพยาบาลกันอยู่ครู่เดียวเกิดก็หายใจสะดวกขึ้นยิ้มออกมาแห้งๆผมคงไม่เป็นไรหรอกครับนายหญิงขัดขัดที่ซี่โครงเท่านั้นถ้าไม่ได้นายหญิงผมกับนายคงแหลกเหลวอยู่ตรงนี้เองมันเร็วจนเราดูไม่ทันเมื่อต่างคนต่างโล่งอกที่ทราบว่าไม่มีใครได้รับอันตรายร้ายแรงนักก็หันกลับมาพิจารณาที่ซ่าควายตัวนั้นความจริงมันได้พิสูจน์ชัดออกมาว่า เจ้าม่หิงสามลุจจะอยู่เดินล่อฝ่ายมนุษย์พูดตามล่ามันมายังทานน้ำแล้วก็เดินถอยหลังเหยียบซ้ำรอยตีนเดิมของมันวกกลับไปแอบซุ่มคอยทีอยู่หลังพุ่มไม้เพราะฉะนั้นการติดตามรอยจึงมาพบกับความงง ง, งานตรงตำแหน่งที่มันทิ้งไว้ครั้งสุดท้ายดูเหมือนว่ามันจะร่องหนอันตรธานตัวเองหรือมิฉะนั้นก็เหาะไปกว่าที่รพินจะัะเฉลียวคิดทันในเรกลอัญชน า, าสุดยอดของมัน มันก็ชาร์ตรี่เข้ามาเสียแล้วเป็นการโชคดีสําหรับเขากับเกิดอย่างยิ่งที่ดารินผู้ไม่ประสีภาษาที่สุดเดินลุยข้ามลำธารไปอยู่ยังฝั่งตรงข้ามจังหวะที่มะฮิงสาตัวนั้นคั้วปลิวเข้าใส่และพินกับเกิดจนต้องหลบการอย่างชุนมูลนั้นหล่อนจึงเป็นคนเดียวที่มีโอกาสตั้งหลักได้อย่างถนัดที่สุดเพราะอยู่ห่างไปอีกฝั่งหนึ่งหล่อนตะลึงไปเหมือนกันขณะที่มันควบลี่ลงมา แต่ก็ได้สติเมื่อทั้งเกิดกับพระพินถูกตะลุยกระจัดกระจายกันออกไปไม่เป็นสัาแล้วดังนั้นก่อนที่มันจะพุ่งเข้าขายี้พรานใหญ่ชั่วเซี่ยวของวินาทีขณะที่เขาถอยหลังล้มลงหล่อนจึงลั่นกระสุนทั้งสองลำกล้องออกไปเป็นกระสุนสั่งยิงเฉียบขาดทั้งคู่เพราะจับเข้าส่วนสมองหยุดมันลงได้แบบประกาศสิลูกปืนนัดแรกที่ลั่นเข้าสู่ตัวของมันเป็นลูกจุด37มห้าของเกิด ที่เจาะเข้ากลางลำตัวซึ่งแทบไม่มีความหมายอะไรเลยนอกจากสร้างความบ้าเลือดให้แก่มันยิ่งขึ้นส่วนนัดที่สองที่รพินยิงไล่หลังไปหัวกระดูกขาหลังด้านซ้ายใกล้เคียงกับรอยที่เชิฐถาหยิงบาดเจ็บไว้เมื่อวันก่อนมันพบจุดจบลงด้วยมือของหญิงสาวผู้ไม่มีใครคาดฝันมาก่อนแม้กระทั่งเจ้าตัวคนที่พิชิตมันลงเอง ล่างอันดำทะมึนของมันกองพเนิรเทินทึกอยู่ที่หาดทรายริมทานน้ำมองดูราวกับภูเขาเลาการะพินเกิดและดาลินยืนรายล้อมซากนั้นมองดูหน้ากันเองอย่างงง ง, งอยู่อีกอึดใจใหญ่โดยไม่มีใครปีปากพูดคำใดออกมาเลยเหตุการณ์ที่อุบัติขึ้นมันเหมือนกับความฝันในที่สุดพรานใหญ่ก็ถอนใจยาวออกมาถอดหมวกออกโค้งคานับให้แก่หญิงสาวอย่างอ่อนน้อม เป็นที่ปรากฏออกมาแล้วว่าพรานเองบางขณะก็ต้องตกเป็นหนี้บุญคุณชีวิตของนายจ้างเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายจ้างผู้นั้นเป็นแต่เพียงผู้หญิงถึงขาวแล้วครับที่ผมจะต้องกล่าวขอบคุณพระคุณคุณหญิงบ้างในการช่วยชีวิตผมกับเกิดไว้ได้อย่างวุดหวิดสีหน้าของหล่อนอยังไม่ซางจากความตื่นเต้นระคนหมื่นงงหล่อนแทบไม่เชื่อสายตาว่าเจ้ามหิงสาร้ากาศตัวนี้ พบจุดจบลงด้วยน้ำมือของหล่อนเองหล่อนจ้องหน้าเขาสายตาปราดจากรอยภาคภูมิหรือเย่อยิงยักโสใดๆทั้งสิ้นนอกจากประกายแห่งความปิติเมื่อเห็นว่าเจ้าควายยักษ์ตัวนั้นดับดิ้นสิ้นชีพลงแล้วโดยที่ทั้งเกิดและดับผิดไม่ได้รับอันตรายใดๆอย่าขอบใจฉันเลยขอบใจโชคชะตาหรือเทวดาประจาตัวของคุณเองดีกว่ามันเป็นเหตุการณ์บังเอิญที่สุดที่ฉันคนเดียวข้ามไปอยู่ฝั่งโน้น ตอนที่มันพุ่งเข้าใส่คุณกับเกิดฉันจึงพอตั้งตัวตั้งสติทันถ้าหากฉันอยู่ฝั่งเดียวกับคุณเราอาจแหลกกันหมดทั้งสามคนตอนที่ด้านกระสุนออกไปฉันแทบจะไม่รู้สึกตัวเสียด้ซ้ำไม่นึกเลยว่าจะล้มมันได้ในวินาทีคับขันที่สุดนายหญิงยิงเด็ดหรือเกินครับเข้าสมองทั้งสองนัดตอนที่มันล้มก็เกิดจะล้มทับนายดีว่านายหลบเสียทันเกิดพูด มองดาลินด้วยความเคารพเชื่อมั่นในฝีมือเต็มที่แล้วชี้ให้ดูแนวกระสุนซึ่งเจาะ บ, บริเวณศีรษะของควายมหาการตัวนั้นระยะห่างกันเพียงไม่กี่นิ้วระหว่างแผลแรกกับแผลที่สองหล่อนสุดตัวลงนั่งบนโขดินก้อนหนึ่งอย่างหมดแรงเป่าลมออกจากปากหนูบางขณะถ้ามีโอกาสก็อาจช่วยราชสีได้เหมือนกันนะ พึอมพำออกมาเหมือนจะกล่าวกับตนเองกระแสะเสียงไม่มีเจตนาที่จะกระทบหรือเปรียบเปรยเหน็บแนมรัะพินเช่นไรทั้งสิ้นอันผิดไปจากทุกครั้งฉันงงไปหมดแล้วไม่อยากจะเชื่อตัวเองเลยนี่ฉันญิงเจ้าควายยักษ์ตัวนี้ล้มด้วยมือฉันเองหรือนี่พี่ใหญ่ชา ย, ยานแง่ท า, ายหรือใครๆรู้เข้าคงประหลาดใจไปตามๆกันแล้วหล่อนก็หัวเราะเก้ๆออกมา ส, สั่นรีสะช้าช้าช ง, งนสนเท่ตัวเองไม่ใช่ล้มมันเฉยในลักษณะธรรมดาแต่เป็นการล้มในวินาทีฉุกเฉินที่สุดโดยช่วยชีวิตผมกับเกิดไว้เสียด้วยอย่าประหลาดใจไปเลยครับฝีมือยิงปืนตามปกติของคุณหญิงเยี่ยมอยู่แล้วและผมก็เคยบอกแล้วว่าถ้าสามารถควบคุมสติได้โดยไม่ตื่นเต้นตกประมากเกินไปนัก คุณหญิงก็สามารถจะพิชิตสัตว์ป่าอันตรายทุกชนิดลงได้โดยไม่ยากเลยจอมพรานพูดแผ่วต่ำน้ำเสียงจริงจังเหตุการณ์ในครั้งนี้เขาไม่ถือว่าเป็นการฟลุกอย่างที่เจ้าตัวคนยิงเองเข้าใจเพราะกระสุนที่เข้าจุดตายอย่างแม่นยำทั้งสองนัดเป็นเครื่องยืนยันให้เห็นชัดหล่อนยิงด้วยฝีมือจริงๆภายหลังที่เริ่มจะคุ้นกับเหตุการณ์ฉุกเฉินชนิดนี้มาจนเกิดความเคยชินบ้างแล้ว ขอบใจมากที่อุตส่าห์สรรเสริญยกย่องฝีมือฉันฉันรู้ตัวดีอยู่หรอกว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญประจวบเหมาะขนาดไหนถ้าฉันมีฝีมือจริงฉันจะต้องสามารถอ่านแกะรอยและล้มมาลงด้วยตนเองโดยไม่จำเป็นจะต้องเดินตามหลังคุณต้ไต้แบบนี้คุณเองถ้าไม่เคาะร้ายถอยหลังสะดุดหินล้มคุณก็คงจะหยุดมันลงได้ก่อนฉันแน่ๆมันอยู่ที่จังหวะและโอกาสมากกว่า ทั้งเกิดและคุณไม่มีโอกาสจะยิงมันได้ในขณะที่จุลมูลติดตัวอยู่นั้นแต่ฉันได้โอกาสนี้ว่าแต่ว่ามันไปยังไงมายังไงกันนี่เราเห็นรอยของมันมาสิ้นสุดเอาที่ฐานน้านี่แล้วทําไมจู่ๆมันก็ตลบออกมาทางด้านหลังของพวกเราทุกคนรอยเดินย้อนกลับก็ไม่เห็นมีแล้วพินควักบุหรี่ออกมาจุดสู่เป็นตัวแรกภายหลังจะตกอยู่ในภาวะเคร่งเครียดติด ต, ต่อกันมาเป็นเวลานาน มันทำอุบายหอกเราครับทำให้เราเห็นรอยเท้าของมันตรงไปที่รําฐานเหมือนจะข้ามไปฝั่งโน้นแล้วก็เดินถอยหลังเหยียบซ้ำรอยตีนของตัวเองวกกลับไปซุ่มอยู่ที่หลังพุ่มไม้ปากค้วยโน้นคอยดักเล่นงานเราระหว่างที่เรากำลังงงกันอยู่มันก็พรวดออกมาเลยหญิงสาวลืมตาโพรงอุทานอะไรออกมาคำหนึ่งจ้องพิจณาดูรอยตีนเหล่านั้นอีกครั้งอย่างอัศจรรย์ใจไปหมด ไม่น่าเชื่อเลยว่าสัตว์เดรัจฉานจะมีความคิดอ่านเลขกลนได้ลึกซึ้งถึงเพียงนี้เป็นไปได้หรืออย่างคุณว่าน่ะเป็นไปได้หรือไม่ได้คุณหญิงก็เห็นกับตาอยู่แล้วยังไงครับเราเห็นแต่รอยมันเดินลงมาแต่ไม่เห็นรอยวกกลับขึ้นไปแล้วมันก็โผล่ออกมาทางด้านหลังเราถ้ามันไม่เดินถอยหลังซ้ํารอยตัวเองไปทุกฝีก้าวอย่างว่านี้แล้วมันจะมีวิธีใดไม่ทันจะขาดเสียงพูดของระพิน ทุกคนก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเสียงไห่เฟิ่แผดระเบิดสนั่นวันไหวขึ้นสองนัดซ้อนดังมาจากทางด้านใต้ของบริเวณป่าน้ำที่ต่างผ่านกันออกมาก่อนแล้วห่างกันไม่ถึงวินาทีมันก็กึกก้องขึ้นอีกทียิบฟังจากเสียงเป็นปืนคนละขนาดกันซึ่งแปลว่ามากกว่าหนึ่งกระบอกขึ้นไปพร้อมกัรมีเสียงกิ่งไม้หักระเนระนาดแล้วคนไปกับเสียงตะโกนโวยวายฟังไม่ได้สับแว่วมา พวกของคุณชายประทา่ากับอะไรเข้าให้แล้วพรานใหญ่ร้องออกมาเร็วปือเกิดกับดาลินซึ่งนั่งอยู่พรวดขึ้นยืนอย่างโนกยังไม่ทันจะเอ่ยคําใดกันทั้งสิ้นกาวปนาาปืนก็สะถานมาอีกสองตูมติดติดกันแล้วจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบสงัดตรงตามเดิมเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นทั้งสมได้แต่จ้องตากันอยู่เช่นนั้นช้างกระมังหญิงสาวอุทานเสียงสัน่นจ้องตาเขายังร้อนใจ แล้วพีนเ ม, ม้มลึงฝีปากแน่นพยายามจับฟังเสียงก็ไม่ได้ยินอะไรทั้งสิ้นเกิดขยกขาลากปืนเข้ามาสมทบคงไม่ใช่ช้างหรอกครับนายหญิงถ้าช้างป่านนี้คงได้ยินเสียงมันร้องเสียงป่าแตกลั่นไปแล้วทุกคนได้แต่จ้องตานิ่งงันกันไปอีกความเงียบคือปริศนาที่ทำให้ต้องคิดไปในทางที่ไม่ชอบมาพากล น, นักเสียงเหมือนกระซิปของดาดินดังมาอีก แล้วทำไมถึงเงียบกลิบกันไปแบบนั้นเสียงปืนตั้งห7นัดแล้วก็เงียบกันไปเฉยเฉยคำพูดของหญิงสาวทำให้เขาตัดสินใจในทันทีนั้นบรรจุลูกปืนเต็มจนเต็มซองอย่างรวดเร็วแล้วก็ชักลูกเลื่อนขึ้นลาหันมาทางเกิดออกคำสั่งโดยเร็วว่าเกิดแกกับนายหญิงรออยู่ที่นี่แหละฉันจะตามไปดูเองขาดเสียงก็ก้าวพรวดพรวดตัดพื้นทรายริมลาธารตรงไปยังปากคุ้ยแล้วหายเข้าดงไปอย่างรวดเร็ว ทิ้งให้พ่านพื้นเมืองกับนายจ้างสารอคอยตรงบริเวณมหิงสาล้มอยู่ดาลินขยับจะวิ่งตามไปด้วยแต่แล้วก็ชะงักเพราะเกิดร้องท้วงไว้หล่อนจึงเปลี่ยนความตั้งใจแล้วลึกขึ้นมาได้ว่าในภาวะเช่นนี้การปฏิบัติตามคำสั่งของระพินย่อมเป็นการดีที่สุดพรานใหญ่รุดเร่งมาตามลำห้วยอันเป็นทางเดียวกับที่เขาได้ตามรอยเจ้ามหิงสามาเมื่อครู่ใหญ่นี้ ย้อนกลับขึ้นป่าหนามอีกครั้งด้วยความร้อนใจเสียงปืนที่สันโวสนันร้ายนัดซ้อนเมื่ออึดใจที่แล้วทำให้เขาไม่สามารถจะทายอะไรถูกทางฝ่ายขาระเบิดกระสุนเข้าใส่เจ้ามาหิงสาบ้าเลือดตัวนั้นก่อนเว้นระยะห่างการเพียงไม่เกินสองสานาทีเท่านั้นก็มีเสียงยิงสนันวันไหวมาจากด้านของเชิฐถาซึ่งแยกอ้อมไปอีกทางหนึ่งลักษณะของเสียงปืนที่ระเบิดขึ้นหลายนัดในช่วงจังหวะต่างๆกัน แสดงว่าเป็นการประทะในขั้นดุเดือดร้ายแรงทีเดียวครั้นแล้วมันก็เงียบหายไปเสียเฉยๆโดยไม่มีอะไรกระตกกระตากเลยเช่นนี้ทำให้เขาไม่สบายใจนักจากความจัดเจนคุ้นเคยกับภูมิประเทศดีอยู่ก่อนแล้วไม่กี่อืดใจหลังจากนั้นแล้พินก็พบตัวเองในป่าหนามันแห้งเกรียมทว่ารกทึบบ่ายหน้าไปตามทิศทางที่ได้ยินเสียงปืนสอดสายสายตาและเงียหูสดับตับฟังไปทุกฝีก้าว ใจเต้นระทึกระหว่างเชษฐาชัยยานและแงซ า, ายทั้งสมคนเขาไม่กล้าที่จะเดา ว, ว่าคนใดคนหนึ่งหรือมิฉะนั้นก็ทั้งสมีอันเป็นไปเช่นในเสียแล้วใจชื้นขึ้นเล็กน้อยเมื่อได้ยินเสียงคนพูดกันแว่วๆทางพงน้ําด้านหน้าเขาก็ป้องปากกูให้สัญญาณออกไปพอขาดเสียงมีเสียงกู่ตอบออกมาพรานใหญ่เร่งฝีเท้าขึ้นอีกพอพ้นรอยแย่ของทางด่านเล็กๆสองฝั่งเป็นป่ารก เบื้องหน้าเป็นเนินสูงเขาก็ถอนใจออกมาอย่างโล่ง อ, อกเชษฐาชัยยันและแง่ใา ย, ยืนรวมกลุ่มกันอยู่ริมซุ้มผายน้ำห่างออกไปเล็กน้อยบนกอหนามพุงโดภูเขาย่อมๆลูกหนึ่งกองฟุบอยู่ที่นั่นพอมองเห็นเขาทั้งเชิฐาและชัยยันก็ส่งเสียงร้องทักอย่างดีใจลั่นมาพรานใหญ่วิ่งตรงเข้าไปพอถึงก็พบว่าภูเขาที่กองอยู่นั้น คือแรดสองนอหรือกระสู้ตัวเดียวกับที่เขาได้ไปเปชิญหน้ากับมันมาก่อนเมื่อชั่วโมงที่แล้วก่อนหน้าที่จะปะทะกับมหิงสานั่นเองเช่ฐานนั้นเสื้อราสัท์ทางด้านหลังขาดรุ่งริ่งราวกับใครเอามีดกรีดสำหรับชายยันแขนทั้งสองข้างและบริเวณใบหน้าเป็นรอยขีดข่วนจากน้ำยับไปหมดเลือดโสมส่วนแงซร า, ายดูเหมือนจะไม่ได้รับอันตรายอะไรเลยมอเห็นแค่นั้นเขาก็ทายอะไรได้ถูกหมด เป็นอะไรหรือเปล่าครับคุณชายคุณชายยันเขาถามแทบจะไม่หายใจทันทีที่พวดเข้ามาถึงทั้งสองหัวเราะแสดงว่าไม่มีอะไรร้ายแรงสาหัสมากไป ก, กว่าที่เห็นก็ไม่เป็นอะไรหรอกแค่เกือบตายเท่านั้นชายยันตอบพลางหัวเราะพลางอย่างอารมณ์ขันเชืฐาถูกมันเสรยลอยขึ้นทั้งตัวทีแรกนึกว่าแหลกแล้วโชคดีเหลือเกินนอของมันเฉียดสันหลังไปอย่างบุตรวิด กระชากเสื้อขาดออกทั้งกระบิส่วนผมวิ่งตรุยเข้าไปในกอหนามหน้าตาเนื้อตัวไม่มีเหลืออย่างที่เห็นอยู่นี่แหละไหนอธิบายหน่อยสิผู้กองไอ้หิงสาของคุณไหนถึงจำแรงร่างกลายเป็นกระสู้ไปได้อย่างนี้มันจำแรงร่างไม่ได้หรอกครับมันคนละตัวคนละชนิดกันตหากแต่บังเอิญว่ามันเข้ามาอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันเท่านั้น เขาตอบยิ้มยิ้มพลอยขบขันในสีหน้าอาการของชายยันผู้มักจะหัวเราะให้ได้แม้กระทั่งความตายจากการบอกเล่าความก็ปรากฏพอจะลำดับภาพได้ว่าฝ่ายของเชตฐาชายยันและแง่ทรายซึ่งอ้อมสกัดเข้ามาทางด้านซ้ายของดงน้ำตามที่นัดแนะกันไว้พบรอยของมหิงสาที่หมายล่าอย่างชัดเจนและสารอยกระชั้นกันเข้ามาเป็นลาดับแต่ยังไม่มีวิแ ว, วว่าจะเห็นตัว ขณะที่ด้อมๆกันอยู่นั้นต่างก็ได้ยินเสียงปืนระเบิดกล้องขึ้นจากฝ่ายของรพินอันทำให้เข้าใจได้แน่ชัดว่าพลานใหญ่จะต้องเข้าถึงตัวเมหิงสาแล้วพร้อมๆกับเสียงปืนที่รั่นทียิบอยู่หลายนัดก็มีเสียงป่าแตกรูปเป็นทางตรงเข้ามาทำให้คิดว่ามหิงสาถูกปืนบ่ายหน้าหนีมาทางฝ่ายของตนจึงซุ่มสกัดดักอยู่แต่ความจริงนั้นเสียงที่วิ่งตเตลิดมาเป็นเสียงของกระสู้ตัวนี้ ซึ่งตื่นตกใจเสียงปืนมาจากฝากนู้นเสียงวิ่งตรงเข้ามานั้นหยุดชะงักคล้ายๆจะได้กลิ่นแล้วก็เปลี่ยนทิศเลี่ยงอ้อมไปอีกทางหนึ่งแง่ส า, ายซึ่งทำหน้าที่เป็นพรานนำจึงชวนออกก้าวสกัดระหว่างที่ตามเข้าชิดโดยที่ยังเข้าใจว่าเป็นมหิงสานั่นเองเจ้ากระสู้ตัวนี้ก็โผล่พรวดออกมาจากดงน้ำอันหนาทึบที่มันกาบังซุ่มตัวอยู่ดิ่งเข้าสายเชิาเป็นคนแรก เสียงปืนสองนัดแรกที่ดังขึ้นเป็นเสียงปืนจากชายยันผู้กระห น, น่ำเข้าใส่ทั้งรำกล้องซ้ายขวาโดยไม่ต้องเลงมันถูกเข้าระหว่างตะโพกหลังกับช่วงท้องอย่างจังล้มตะแคงไปจังหวะที่เสยน อ, อขึ้นหมายขยี้เชรดถาจึงเสียไปเป็นผลให้เสื้อขาดติดปลายนอราชนิกูลหนุ่มหัวหน้าคณะเดินทางพ้นวินาทีดับจิตนั้นไปด้วยอย่างหวุดหวิดพอมันทรงตัวติดก็สวนควันปืนเขาใส่คนยิง ผู้ซึ่งวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตผ่าเข้าไปในดงน้ำและก่อนที่มันจะทันถึงตัวชัยยันเชธฐากับแง่สายก็ระเบิดไรเฟิลในมือเขาใส่โดยไม่นับภายหลังจากที่มันล้มหมดฤทธิ์เดชตรงแล้วแง่สายต้องใช้มีดเดินป่าถางพงน้ำเข้าไปรับตัวชัยยันออกมาซึ่งเจ้าตัวก็ไม่สามารถบอกได้เหมือนกันว่าขณะนั้นเขาสามารถตะกายบุกเข้าไปในป่าน้าอันแหลมเหล่านั้นได้อย่างไร ดีว่านี่สามคนช่วยกันถ้าคนเดียวป่านี้เสร็จไปแล้วยิงมันไม่ทันแน่เชษฐาบอกยกมือขึ้นรูปสันหลังตัวเองซึ่งมีรอยเสื้อขาดยับเยินแล้วทั้งสองก็แสดงท่าประหลาดใจเมื่อพรานใหญ่บอกให้ทราบว่าเขาเผชิญหน้ากับกระสู้ตัวนี้มาก่อนแล้วผมนึกไม่ถึงเลยครับว่าพวกของคุณชายจะมาปะทะ ก, กับมันข้าวในเวลาไล่ๆกับที่ทางด้านผ ม, ผมก็ฟาดกับเจ้าควายป่าตัวนั้น แล้วเขาก็เล่าถึงเหตุการณ์ที่เผชิญหน้ากับมหิงสาให้เชิฐากับชัยันฟังโดยละเอียดพอทราบว่าควายมหาการตัวนั้นถูกพิชิตลงด้วยฝีมือของดารินทั้งสองอาปากค้าคงตะลึงงานไปด้วยความประหลาดใจสุดขีดน้อยนะเหรอเป็นคนคว่า ม, มันพี่ชายร้องออกมาอย่างตื่นเต้นอัศจรรย์ใจเป็นความจริงครับถ้าไม่ใช่เพราะฝีมือคุณหญิงป่านนี้ผมกับเกิดก็แหลกไปแล้ว เป็นเรื่องมหัศจันที่สุดนี่ถ้าไม่ใช่พระคุณบอกแล้วก็ต่อให้อมพระมาพูดผมก็ไม่เชื่อเด็ดขาดชายยานครางหัวเราะออกมาอย่างงง ง, ง, งก็พริบตาปริบ ป, ปริบแง่าสายผู้เงียบขรึมในทุกสถานการณ์ก็พูดขึ้นรอยๆอยนายหญิงเป็นคนสติดียิงปืนก็แม่นผมคาดไปถนัดผมนึกว่ามันจะล้มลงด้วยปืนของผู้กองเสียอีกเมื่อต่างฝ่ายต่างเล่าถึงเหตุการณ์ เชืฐากับชายยานจึงเข้าใจในทันทีว่าเหตุไรฝ่ายของตนถึงประจันหน้ากับเจ้ากระสู้ตัวนี้เข้าทั้งสองฝ่ายต่างเผชิญหน้ากับอันตรายในเวลาไล่เลียงใกล้เคียงกันและเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดด้วยกันทั้งสองด้านจากสัตว์ร้ายสองชนิดมันเป็นการล่าที่ได้รับผลสําเร็จแบบโชคสองชั้นโดยที่ไม่มีใครคาดฝันไว้ร่วงหน้าคือไม่เพียงแต่จะได้ตัวเจ้ามหิงสาอนันเป็นเป้าหมายสําคัญเท่านั้น ยังมีผลพลอยได้จากกระสู้ตัวมหึมาเพิ่มขึ้นอีกตัวหนึ่งด้วยทว่าชีวิตของคณะพักแต่ละฝ่ายก็แทบจะปิดลงไปในสภาพที่แทบไม่แตกต่างไปจากกันไม่มีใครแสดงความสนใจกับกระสู้ตัวนั้นนักจุดหมายสำคัญในขณะนี้อยู่ที่มะหิงสามากกว่าระพินบอกให้ทิ้งซากเจ้าแรดสองนอนตัวนั้นไว้ก่อนนาตรงไปยังลาธารชายดงน้าซึ่งเกิดกับดารินรอคอยฟังข่าวอยู่ในขณะนี้ ดารินมีสีหน้าแช่มชื่นขึ้นเมื่อเห็นพลานใหญ่โผล่กลับมาพร้อมกับคณะพี่ชายของหลอนซึ่งสังเกตเห็นผาดผ่าดว่าไม่มีใครได้รับอันตรายร้ายแรงอะไรนักหลอนวิ่งทะลันออกไปรับโดยเร็วภายหลังจากการสอบซักบอกกล่าวกันและกันทั้งสองฝ่ายก็รู้เรื่องโดยตลอดเชษฐาชายยันและงแง่ทายตรงปาดเข้าไปพิจารณาดูที่สร้างควายยักษ์ตัวนั้นอย่างตื่นเต้น ต่างถ่ายทอดในสิ่งที่ได้ไปชิญมากับตนเองให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังโดยละเอียดและหยุดพักกันที่นั่นชั่วคราวเพื่อผ่อนความเคร่งเครียดทางกายและสมองที่ต่างผจญกันมาตั้งแต่เช้าเชษฐาเข้ามาสํารวจอย่างถี่ถ้วนที่ซากนั้นพรานใหญ่ก็ชี้ให้ดูแผลเก่าตรงตะโพกซ้ายซึ่งเชษฐายิงไว้เมื่อวันก่อนมันเจาะทะลุเนื้อตะโพกออกไปเฉยๆโดยไม่กระทบกระดูกเป็นแผลที่ไม่มีความจาเจกันอะไรเลย นอกจากจะสร้างความเจ็บปวดและพยาบาทมาด ร, ร้ายให้แก่มันยิ่งขึ้นมองผาดผ่าดยังกระช้างหนุ่มหัวหน้าคณะเดินทางจุ ป, ป่าโครงศีรษะช้าช้ า, ชาทำไมมันถึงใหญ่โตมโหฬารถึงขนาดนี้แท้ไม่เชื่อตาเลยเหมือนสัตว์โบราณงั้นแหละอายุของมันมากเต็มทีแล้วครับแก่เสียจนกระทั่งเขากรอนรู้สึกว่าน้ำหนักตัวจะมากกว่ากระสู้ตัวเมื่อกี้นี้เสียอีก ส่วนกว้างที่สุดคือกลางลําตัวของมันขนาดที่ล้มตะแคงอยู่นั้นคนร่างใหญ่ขนาดเชิฐาและแงซ า, ายสองคนยืนกันอยู่คนละด้านเชิดาทดลองโดยยื่นส่งมีดเดินป่าที่ยาวสอกเศษไปให้แงซายหนุ่มกระเรี่ยงพเนจรเอื้อมมือมารับสุดเอื้อมยังไม่สามารถจะเอื้อมถึงปลายมีดที่เชิฐายื่นส่งมาให้ได้ล้มไอควายยักษ์ตัวนี้ลงเธอก้าปัญญาเอกของนักราชศาสตร์ไปได้แล้วน้อย ชายยันหันไปบอกกับดารินแพ่สาวคนสวยยิ้มเลียนเลียนสีหน้าของร่อนไม่มีแววภาคภูมิใจใดๆทั้งสิ้นนอกจากร่องรอยของความอกสั่นขวัญหายที่ยังเหลือค้างอยู่ในแววตา